หกุตตระติกะ 6. สัมปยุตตวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาณเหตุปัจจัย3ามรสภาวธรรมที่เป็นกุศล 3. สัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมปยุตกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้น 1. ขันหนึ่ง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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามาปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพ ล, พลินกุศลนั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพ ล, พลินกุศลนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนตจึงเกิดขึ้น